สามจุหนึ่งสี่วิธีระงับโทสะวิธีระงับโทสะทำได้หลายรูปแบบเราต้องรู้ก่อนว่าโทสะเกิดจากอะไรโทรสะเกิดจากการที่เราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเข้าฉะนั้นวิธีระงับโทสะที่ง่ายที่สุดคือเดินหนีไปแต่ถ้ามันคิดละ่ะหนีไปแล้วมันยังคิดละ่ะนี่มันด่าเราใช่ไหมมันคิดไปทุกวันทุกวันโทสะก็เกิดอีกฉะนั้นเดินหนีระงับได้ชั่วครั้งชั่วคราวเวลาจะชกหน้ามัน ในเวลาอื่นมันจะตามมาหลอกมาหลอนอีกวิธีหนึ่งคือทําสมถะทําสมถะคือพยายามเจริญเมตตาเอาไว้คิดถึงแง่มุมของเขาบ้างอย่างบางคนคุยกับเราแล้วเราโกรธเลยนะเพราะาเราไปมองเขาในแง่มุมของเราถ้าเราลองสวมหัวใจของเขาดูว่าทําไมเขาเป็นอย่างนั้นพอเข้าใจเขาเราจะหายโกรธเลยหรือเราจะเจริญเมตตาไปเรื่อยๆเพราะเขาก็มีความทุกข์มากนะเขาก็คิดได้แค่นี้ก็สบายใจ สิ่งเหล่านี้เป็นแค่สมถะใช้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนเวลาเป็นมะเร็งเวลาปวดขึ้นมาก็ไปกินพาราใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอีกอย่างหนึ่งใช้ปัญญาดูลงไปเลยจิตเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็ไม่มีโทสะโทสะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับโทสะเป็นของบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะพอได้พระอนาคามีก็จะไม่มีโทสะอีก